ทูลบอกกรรมที่เทพบุตรแม้นั้นกระทําแต่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วไพรทูลอีกวิมานหนึ่งเช่นกับวิมานก่อนนั่นแหละพระเจ้าในมิราชตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นกระทําแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์ วิมานอันบุญญาณุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝากแก้วไพรทูลเสียงทิพคือเสียงเปิงมางเสียงตะโพนการฟอนรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกหน้าฟังเป็นที่รื่นรมใจเราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้ อันภัยราะอย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพปบุตรนี้ได้กระทํากรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบุญทั้งหลาย แต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นครืหบดีในกรุงพารณสีเป็นธนบดีได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏบิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบินธบาทเสนาสนะพิลาณปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดในดิถีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกุศลกรรมแต่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วขับรถต่อไป แสดงวิมานทองซึ่งมีรสมีเหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆพระเจ้าเนมิราชท้พระเนรเห็นสมบัติของเท พ, พบุทผู้อยู่ในวิมานทองนั้นมีพระหฤทัยยินดีจึงตรัสถามถึงกรรมที่เท พ, พบุตรนั้นกระทําแม้มาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ทูลบอกแด่พระองค์วิมานทองอันบุญญาุภาพตกแต่งดีนี้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 แต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤรหบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นธานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรมได้ถวายจีวรบิทบาทเสนาสนะคิลานะปัจใจในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปดในดิทีที่14บสที่ส5บห้าที่แปดแห่งปักและปาติหารียปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าดวงอาทิตย์แรกอุทัยอุทยมาทิตโจได้แก่ดวงอาทิตย์แรกขึ้น คำว่าในกรุงสาวัตถีสาวัตถิยังความว่าเท พ, พบุตรนั้นได้เป็นธานบดีในกรุงสาวัตถีในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าในเวลาที่มาตลีเทพสารถีทูนวิมาน8ดเหล่านี้ด้วยประการชนิ้ท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ามาตลีประพฤติช้าเกิน จึงส่งเท พ, พบุตรผู้ว่องไวแม้อื่นอีกไปด้วยเทวะบัญชาว่าท่านจงไปบอกแก่มาตาลีว่าเท้าสักกะเทวราชเรียกหาท่านเทพผบุตรนั้นไปโดยเร็วแจ้งแก่มาตาลีเทพให้ทราบมาตาลีเทพสารถได้สดับคําแห่งเท พ, พบุตรนั้นดำริว่าบัดนี้เราไม่อาจจะชักเชะจึงแสดงวิมานเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียว พระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นนั้นมาตาลีเทพสารฐีได้ทูลบอกแล้ววิมานทองเป็นอันมากเหล่านี้อันบุญญาุภาพตกแต่งดีแล้วลอยอยู่ในณภาอากาศภายโรดโชดช่วงดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นเท พ, พบุตรทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาก ระดับสัมภารผลอันหมูเทพนารีหอ้อมเลิศพลัดเปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมาน น, นั้นโดยรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบรตบุตเหล่านี้ได้ทำความดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารักถาม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 บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าในนภากาศเวหายะสามีความว่าวิมานเหล่านั้นลอยอยู่ในนภากาศพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานที่ตั้งอยู่ในอากาศเหล่านี้ตั้งอยู่ด้วยดีในอากาศนั่นเองคําว่าดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นวิชุวพระนันตเรความว่า ราวก่า ว, ว่าสายฟ้าแลบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆคำว่าตั้งมั่นด้วยดีสุนิวิทยะความว่าตั้งมั่นด้วยดีเพราะมาด้วยมักมีคำอธิบายว่าข้าแต่มหาราชเทพบุตรเหล่านี้บวชในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งเป็นนิยานิกธรรมในการก่อนเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ ประทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลไม่อาจที่จะยังพระอรหัดให้บังเกิดจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในวิมานทองเหล่านี้ข้าแต่พระราชาสถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกของพระกสปะพุทธเจ้าเหล่านั้นซึ่งพระองค์จะทอดพระเนตรดังนั้นขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่า มาตาลีเทพสารถีนั้นแสดงวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศแด่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทำอุตสาหะเพื่อเสด็จไปสำนักของเท้าสักกะเทวราชจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลามกพระองค์ก็ทรงทราบแล้วอันหนึ่งสถานที่สถิตของผู้มีกรรมอันงามพระองค์ก็ทรงทราบแล้ว ข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของเท้าสักกะเทวราชในบัดนี้เถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสถานที่อยู่อาวาสังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกก่อนแล้วทรงทราบสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลามกทั้งหลาย เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้ก็ทรงทราบสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมอันงามแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทอดพระเนตรที่พยะสมบัติในสำนักของเท่าสักกะเทวราชในบัดนี้เถิด